เป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้แล้วรู้ดีรู้ชัวเราคมชัวทำคมดีได้เราคมชัวทำคมดีได้อะไรที่เป็นคมชัวยุดต้องแต่มานเลยเป็นต้นไปสิ่งใดที่เป็นความดีทำเดาๆไปนะอะรเลยเป็นเพื่อนเราพอเข้ามานะคือยันฝนบมเป็นทิดแล้วบเป็นทิดเป็ทิดแล้วคพ่อคือค่อเขารียกลูกชายว่าคิดคิดนะยินหรือ ยันตอนนี้ไม่เรียกว่าปราชญ์ไม่ใช่นะทิศทิศนะแต่ท่านรู้แล้วท่านได้บทแล้วแม่ก็อยากทิศ ต, ต่อไปได้เขาก็กาพ่อทิศพ่อทิศโลกชาเป็นคนที่อบรมสั่งสอนพอดีแล้วพ่อทิศพ่อทิศพ่อทิศแม่ทิศเราพ่อก็ทิศ ไ, ไปด้วยนะเ น, นี่ยหเปอาไป เ, ป เ, เ, ปเก็บไว้ดีๆแต่ว่ามันใช้ไปได้แต่ว่าเอาเป็น อ, อนุศรได้ ไปสอนเลยตเวลเซนหลงคอศิลปวชาเนั่นไปิดถึงบวที่ดีบเดียนอใคบอ้ต้อเสียทีนครับหลันแล้วก็จะไปท้ามให้ด้วยได้ไได้กะร 呃不，白送荷兰去了。大家是白送荷兰。不不。